ในโลกของเหล่านี้หรือในชีวิตของเหล่านี้จะมีความสุขอยู่สองชนิดด้วยกันคือหนึ่งความสุขกายสองความสุขใจความสุขกายนี้จะเรียกว่าเป็นความสุขปลอมก็ได้เพราะ เป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็ต้องหมดไปเพราะว่าร่างกายในที่สุดก็ต้องหมดสภาพไปความสุขที่สองชนิดที่สองคือความสุขใจจะเรียกว่าเป็นความสุขแท้ก็ได้เพราะเป็นความสุขที่ถาวร ถ้าจะจะอยู่ติดกับใจไปตลอดเพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจนี้ยังอยู่ต่อไปใจยังมีความสุขได้ต่อไปถ้าได้สร้างความสุขใจไว้สุขใจก็จะอยู่ติดกับใจไป ถ้าไม่ได้สร้างความสุขใจสร้างแต่ความสุขกายเวลาความสุขกายหมดใจก็จะอยู่อย่างปราศจากความสุขนี่คือความสุขสองชนิดด้วยกันที่เราสามารถเลือกหาเอาไว้เสร็จเอาไว้เป็น สมบัติของเราได้ความสุขทางร่างกายก็มีเหตุอยู่4ประการด้วยกันที่จะทำให้เกิดความสุขทางร่างกายขึ้นมาคือ 1. การมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์ 2. การใช้ทรัพย์ าการไม่มีหนี้และสี่การกระทำที่ไม่เกิดโทษนี่คือเหตุสี่ประการที่จะทำให้เราได้รับความสุขกายกันแต่ก็เป็นความสุขชั่วระยะเวลาของชีวิตของร่างกาย พอร่างกายไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้ความสุขกายก็จะหมดสภาพไปเหตุข้อที่หนึ่งที่ทำให้เกิดความสุขกายขึ้นมาก็คือการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์เพราะการจะหาความสุขทางกายนี้ จำเป็นจะต้องมีทรัพย์การหาความสุขทางกายก็ต้องใช้ทรัพย์เื้องต้นต้องมีทรัพย์ก่อนได้ทรัพย์ก่อนพอมีทรัพย์ได้ทรัพย์แล้วถึงจะได้ใช้ทรัพย์ได้การจะมีทรัพย์นี้ก็มีเหตุอยู่เหมือนกัน เช่นเหตุที่ทําให้เรามีทรัพย์นี้เหตุข้อที่หนึ่งก็คือบุญที่เราเคยทํามาแล้วในอดีตถ้าเราได้ทําบุญทําทานมามากในอดีตเราเกิดมาเราจะได้เกิดบญกองเงินกองทองเกิดมามีทรัพย์เลยไม่ต้องไปดิ้นรนขวนขวายหาทรัพย์มา อย่างพระพุทธเจ้าในครั้งที่เป็นพระเวชสันดรก็ได้ส่งบำเพ็ญทานบารมีอย่างโชคโชนมีทรัพย์มีสมบัติมีข้าวของเงินทองอะไรต่างๆก็ยินดีที่จะแบ่งปันที่จะให้แก่ผู้อื่นไปพอตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดา หลังจากเป็นเทวดาแล้วก็ได้ลงมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารเป็นพระราชโอรสของพระมาหากษัตริย์ที่มีความสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆพระราชบิดาทรงสร้างพระปราสาสามฤดูไว้ให้อยู่ไว้ให้ประทับ อันนี้ก็คือการมีทรัพย์ที่เกิดจากบุญคือทานที่ได้ทำมาในอดีตถ้าไม่ได้ทำบุญทำทานมาในอดีตเกิดมาก็จะเกิดในครอบครัวที่ไม่ร่ำไม่รวยก็จำเป็นจะต้องหาทรัพย์ด้วยวิธีที่ไม่ผิดศีลผิดธรรม ไม่ผิดกฎหมายหาทรัพย์มาด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถอย่างมาเศรษฐีบางท่านที่มาจากประเทศอื่นมาด้วยเสือใบหมอนใบแต่มาแล้วก็มามีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจท ร, ร ม, มาหากิน ตั้งใจเก็บเงินเก็บทองแล้วก็เอาเงินทองที่เก็บไว้มาลงทุนมาขยายกิจการจนทำให้กลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาอันนี้ก็การมีทรัพย์ด้วยการกระทาอาชีพที่ถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมาย ก็จะทำให้มีทรัพย์เกิดทรัพย์ขึ้นมาเวลามีทรัพย์เวลาได้ทรัพย์มาทุกคนก็จะมีความสุขกันนี่เรียกว่าความสุขกายที่เกิดจากการได้ทรัพย์มีทรัพย์พอมีทรัพย์มีได้ทรัพย์แล้วก็ความสุขข้อที่สองก็จะเกิดขึ้นก็คือการได้ใช้ทรัพย์ เวลาได้ใช้ทรัพย์นี้ทุกคนก็ยิ้มแ ย, มย้มแจ่มใสกันเวลาไปซื้อข้าวซื้อของซื้อสิ่งต่างๆที่ต้องการก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาการใช้ทรัพย์นี้ก็มีการใช้ทรัพย์ที่ทำให้เกิดความสุขและการใช้ทรัพย์ที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมามก็ต้องใช้ ปัญญาแยกแยะว่าการใช้ทรัพย์แบบไหนทําให้เกิดความสุขและการใช้ทรัพย์แบบไหนทําให้เกิดความทุกข์ความใช้ทรัพย์ที่ทําให้เกิดความสุขก็คือการใช้ทรัพย์เพื่อซื้อสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีพเช่นปัจจัยสอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรค เวลาขาดแคลนสิ่งเหล่านี้ร่างกายจะอยู่อย่างทุกข์ยากลาบากพอมีทรัพย์แล้วก็ได้ใช้ทรัพย์ไปซื้อปัจจัยสี่มาดูแลรักษาร่างกายให้ร่างกายอยู่อย่างปกติสุขไม่ทุกข์ยากลาบากเดือดร้อนก็จะเกิดความสุขทางกายขึ้นมาด้วยการใช้ทรัพย์ การใช้ทรัพย์ที่ทำให้เกิดโทษขึ้นมาได้ใช้อย่างไรก็คือการใช้ทรัพย์กับสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพการใช้ทรัพย์ไปตามความอยากของกิเลสตัณหาการซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่ไม่จำเป็นจะต้องมีแต่ความโลภความอยาก เวลาได้เห็นได้ชมแล้วก็เกิดความอยากได้อยากมีขึ้นมาถึงแม้จะเป็นปัจจัยสี่เช่นเสื้อผ้าถ้าซื้อมาเกินความต้องการก็จะกลายเป็นโทษขึ้นมาได้เช่นเห็นเสื้อผ้าชอบอยากได้ก็ซื้อมาทุกครั้งที่เห็นเสื้อผ้าที่ชอบก็ซื้อมารองเท้ากระเป๋า หรืออะไรต่างๆเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆเห็นก็ชอบก็ซื้อมาซื้อมาก็จะทําให้ติดเป็นนิสัยแล้วถ้าซื้อมากๆเงินทองที่มีอยู่ก็อาจจะหมดได้หรือจะไม่ไ ม, ไม่มีพอใช้กับสิ่งที่จําเป็นถ้าปล่อยให้ใช้เงินแบบนี้ ก็จะกลายเป็นโทษกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าต้องการมีความสุขจากการใช้ทรัพย์ก็ต้องรู้จักใช้อย่างประหยัดใช้อย่างมีเหตุมีผลอย่าไปใช้กับความโลภความอยากนอกจากเสื้อผ้าก็คือการใช้เพื่อหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกเล่นกาย เช่นมาฮอลาสุขบันเทิงหรือการท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆที่จะต้องใช้ทรัพย์มากแล้วถ้าใช้ไปเรื่อยๆก็จะทำให้เงินทองไม่พอใช้ได้พอเงินทองไม่พอใช้ก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา ก็าจะทำไปให้มีปัญหากับการมีความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้ได้เพราะว่าถ้าเคยใช้ทรัพย์เพื่อซื้อความสุขต่างๆมาพอเงินทองไม่พอใช้ก็จะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาพอเป็นหนี้แล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะจะต้องคอยวิตกกังวล กับการหาทรัพย์มาใช้นี่นี่เป็นโทษที่ตามมาถ้าใช้ทรัพย์ในทางที่ไม่ถูกใช้ซั์ไปกับความโลภความอยากแต่ถ้าใช้ทรัพย์ไปกับความจำเป็นของร่างกายและใช้ด้วยเหตุด้วยผลคือให้พอประมาณกับความต้องการของร่างกาย และพอประมาณกับกําลังทรัพย์ที่มีอยู่ทรัพย์ก็จะไม่ขาดแคลนก็จะก็จะไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินก็จะมีความสุขข้อที่สมได้ก็คือความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้และความสุขข้อที่สก็คือความสุขที่เกิดจากการกระทาที่ไม่เป็นโทษ ก็คือต้องไม่หาทรัพย์มาด้วยการกระทาที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมการใช้ทรัพย์ก็ต้องใช้ไปในทางที่ถูกที่ควรที่จำเป็นถ้าไปใช้ตามความโลภตามความอยากก็จะทำให้เกิดเป็นโทษขึ้นมาได้ นี่คือความสุขทางกายถ้าเรายังต้องมีความสุขต้องหาความสุขทางร่างกายอยู่ก็ขอให้เรานึกถึงเหตุสี่ข้อนี้คือการมีทรัพย์การได้ทรัพย์มาว่ามีมาได้อย่างไรได้มาอย่างไรได้มาด้วยการทำมาหากินที่สุจริต หรือทาได้มาด้วยการทำมาหากินที่ทุิจริตถ้าทุจริตก็ไม่เป็นความสุขจะเป็นความทุกข์ตามมาต้องหาเกิดด้วยความสุจริตหรือถ้าได้ทำบุญมาในอดีตได้มาเกิดเป็นลูกของเศรษฐีก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรเพราะพ่อแม่มีเงินทองให้ใช้ได้ตลอดเวลา อันนี้ก็สำหรับเผื่อว่าพบหน้าชาติหน้าถ้ายังไม่ยุติการเวียนว่ายตายเกิดถ้าอยากจะเกิดแล้วร่ำรวยอยากมีความสุขมีความสบายก็ขอให้ขยันทาบุญทําทานเสียแต่ในพบนี้ชาตินี้ถ้ามีเงินทองถ้าอยากจะใช้ทรัพย์อย่างมีความสุขทั้งปัจจุบันและอนาคต ก็ใช้ไปด้วยการทําบุญ ท, ทาําทานก็จะทําให้พบหน้าชาติหน้านี้ดีสมบัติอรอรองรอเราอยู่จะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการทำมาหากินหาเงินหาทองนี่คือความสุขที่เกิดจากทางร่างกาย คือการเกิดมีทรัพย์และการได้ใช้ทรัพย์อย่างถูกต้องการไม่มีหนี้และการกระทําที่ไม่เกิดโทษ mm hmm. ก็คือต้องไม่กระทําอะไรที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอันดีงาม mm hmm. ชีวิตของเราที่จะมีความสุขทางกาย mm hmm. ก็จะมีไปจนถึงวันสุดท้ายของ ของร่างกายแต่ถ้าเราต้องการความสุขที่เหนือกว่าที่ดีกว่าคือความสุขใจเราก็ต้องศึกษาถึงเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาก็คือการทำทานการรักษาศีล และการภาวนานี้เองอันนี้จะเป็นการสร้างความสุขทางใจที่จะติดไปกับใจที่จะไม่มีส่วนถูกกระทบกระเทือนจากการเสื่อมของร่างกายหรือการเสื่อมของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองความสุขทางร่างกายนี้ บางทีร่างกายยังไม่ตายก็อาจจะหมดไปได้ถ้าเงินทองหมดไปก่อนหรือว่าถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายหาความสุขได้ตอนนั้นก็จะไม่มีความสุขจะมีความทุกข์แต่ถ้ามีความสุขทางใจ ร่างกายจะพิกลพิการจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะขาดทรัพย์ขาดเงินขาดทองความสุขทางใจก็ไม่หดไม่หายไปความสุขทางใจยังมีอยู่และสามารถสร้างขึ้นมาให้มีมากขึ้นไปอีกได้ถ้ามีการบําเพ็ญทานศีลภาวนาอยู่ทานศีลภาวนานี้เป็นเหตุ ที่จะทำให้เกิดความสุขทางใจทานก็คือการแบ่งปันทรัพสมบัติข้าวของเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้เราก็เอาไปแบ่งให้แก่ผู้อื่นผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นก็จะทําให้เกิดความสุขใจกลับคืนมา การทำทานนี้ควรจะทำกับทรัพสมบัติข้าวของเงินทองที่เรามีเหลือเหลือกินเหลือใช้ถ้าเราไม่มีเหลือที่จะเอาไปทำบุญทำทานเราก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องการทำทานบางท่านไม่เข้าใจพอไม่มีเงินทำบุญทำทานก็ต้องไปหาเงินหาทองมาใหม่ เพื่อที่จะได้เอามาทาบุญทาทานอันนี้ไม่ใช่เป็นหลักการของการทาทานหลักการของการทำทานก็คือต้องการที่จะตัดเงินทองที่มีมากเกินไปไม่ให้เป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาเพราะถ้าเอาไปใช้เป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาก็จะไม่พอใช้ ใช้เท่าไหร่ก็จะไม่พอเพราะกิเลสตัณหาไม่ได้หมดไปกับการใช้เงินใช้ทองตามความต้องการของกิเลสตัณหากิเลสตัณหาก็จะมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นไปพอเงินทองหมดก็จําเป็นจะต้องไปหาเงินทองมาใหม่การการที่จะไป นักษาสีลไปภาวนาก็จะทําไม่ได้จะสร้างความสุขใจที่ใหญ่กว่ามากกว่าความสุขใจที่ได้จากการทําทานก็จะไม่สามารถทําได้แต่ถ้าเอาเงินทองที่จะไปซื้อข้าวซื้ อ, อสิ่งต่างๆตามความโลภตามความอยากนี้เอาไปทําทานแทนความโลภความอยากที่จะใช้เงินใช้ทองก็จะหดหายไป แล้วก็จะหมดไปได้ก็จะทำให้ไม่ต้องไปหาเงินหาทองมาซื้อข้าวซื้อของตามความอยากตามความโลภ ก, ก็จะทำให้มีเวลาที่จะมารักษาศีลมาสร้างความสุขที่มากกว่ายิ่งใหญ่กว่า และมาเจริญจิตตภาวนาได้ซึ่งเป็นความสุขที่ใหญ่กว่าทานใหญ่กว่าศีลเป็นความสุขที่จะทําให้มีความสุขได้อย่างเต็มที่เต็มร้อยดนั้นการทําทานก็เพื่อที่จะยุติการใช้เงินทองเพื่อซื้อความสุขยุติการที่จะต้องไปหาเงินทองมาซื้อความสุข อยู่เรื่อยๆจะใช้เงินทองเอาไว้สำหรับแค่ดูแลอัภาพร่างกายเพื่อให้เพื่อจะได้เอาร่างกายนี้มารักษาศีลมาภาวนาต่อไปดังนั้นถ้าไม่มีเงินที่จะทำบุญทำทานก็หยุดทำได้ไม่เสียหายอะไรไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญก็จริงแต่เราจะได้มีเวลามา สร้างบุญที่ดีกว่ามากกว่าบุญที่ได้จากการให้ทานก็คือการรักษาศีลการภาวนาก็คือได้มาเป็นนักบวชเต็มรูปแบบนั่นเองผู้ที่จะมาเป็นนักบวชเต็มรูปแบบได้จะต้องตัดเรื่องทรัพสมบัติเก้าของเงินทองออกไปต้องอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องหาเงินหาทอง คือถ้าไม่ได้เป็นนักบวชคือไม่ได้เป็นพระภิกษุก็อาจจาเป็นจะต้องมีเงินทองไว้สารองสำหรับในการใช้ใจ่ายเกี่ยวกับปัจจัยสี่เงินทองก้อนนี้ก็จะไม่สามารถนำเอาไปทำบุญแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้เพราะจะต้องเก็บเอาไว้สนับสนุนในการ บำเพ็ญจิตตภาวนาในการรักษาศีลเพื่อที่จะได้สร้างความสุขใจขึ้นมาดังนั้นถ้าเราไม่มีเงินทองทำบุญทำทานแล้วเราก็ไม่ต้องทำทานขอให้เรามาทุ่มเทและเวล่ำเวลาให้กับการรักษาศีลกับการเจริญจิตตภาวนาคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ที่จะทำให้เกิดความสุขใจที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดคือปรมังสุขขังได้เกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการบาเพ็ญจิตตะภาวนาคือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้นี่คือการบาเพ็ญของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ท่านได้เห็นด้วยปัญญาแล้วว่าความสุขทางกายเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่จะต้องหมดไปกับร่างกายหรือกับทรัพสมบัติแต่ความสุขที่จะไม่หมดที่จะอยู่ไปกับใจก็คือความสุขใจท่านจึงเลือกที่จะเอาความสุขใจ แทนที่จะเอาความสุขกายพอไม่ต้องเอาความสุขกายก็ไม่จําเป็นจะต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็สละทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองไปหมดแล้วก็ออกอยู่แบบนักบวชอาศัยการให้ของผู้อื่นเช่นการบินทบาทการใส่บาทสมัยพระพุทธการนี้ก็มีการอาศัยการบินทบาทเป็นการเลี้ยงชีพ ส่วนเครื่องนุ่งห่มนี่ก็อาศัยการไปเก็บผ้าที่ทิ้งแล้วตามกองขยะหรือตามป่าช้าที่เป็นใช้ผ้าผ่อศพก็เก็บผ้าเหล่านี้มาแล้วก็เอามาตัดมาเย็บเป็นจีวรเป็นผ้าหม่มผ้านุ่งส่วนที่อยู่อาศัยของนักบวช ก็อยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเรือนว่างอยู่ในถ้าอยู่ตามเงื้อผาที่ไหนก็ได้ที่พอจะหลบแดบหลบฝนได้ที่อยู่ห่างไกลาจากความวุ่นวายของโลกของขาาวาดคือโลกของแสงสีเสียงต่างๆที่จะลบกวนการทําใจให้สงบที่จะทําให้ไม่เกิดความสุขใจขึ้นมา นั่นคือที่อยู่ของนักบวชในสมัยพระพุทธกาลทัา น, นอยู่ในป่าอยู่ในเขากันเพื่อที่จะได้บำเพ็ญจิตตภาวนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลนี่คือปัจจัยสี่ของนักบวชของผู้ที่แสวงหาความสุขทางจิตใจ ก็คือจะไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องของการมีทรัพย์หาทรัพย์เพื่อที่จะซื้อปัจจัยสี่ที่หรูหลาที่วิจิตรพิสดารปัจจัยสี่ของนักบวชนี้เป็นแบบเรียบๆง่ายๆพออยู่พอเป็นพอไปได้ก็ใช้ได้อาหารจะเป็นอาหารชนิดไหนก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ถ้ารับประทานได้แล้วทําให้ร่างกายอยู่ได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถึงแม้จะไม่ถูก อ, อกถูกใจไม่ถูกปากถูกลิ้นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะผู้แสวงหาความสุขทางใจจะไม่กังวลเกี่ยวกับความสุขทางกายความสุขทางกายก็คือต้องได้รับประทานอาหารที่ถูกปากถูก อ, อกถูกใจถูกลิ้นกินแล้วมีความสุข ผู้สวงหาความสุขทางใจนี้กินเพื่ออยู่กินเหมือนกินยากินเพื่อระงับความหิวเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอเพื่อจะได้เอาร่างกายมาบำเพ็ญจิตตภาวนามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบนี่คือวิถีทางของการหาความสุขทางใจ ต้องเป็นชีวิตที่ส ม, มถะเรียบง่ายมักน้อยสันโดษในปัจจัยสี่ไม่ฟุ้งเฟอ้อเหอเหอิไม่ต้องการอะไรที่หรูหราหรือวิจิตพิสดารเพราะว่ามันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันที่อยู่แบบเรียบง่ายกับที่อยู่ที่วิจิตพิสดารมันก็เป็นที่หลบแดบดหบฝนเท่านั้นเองเทียนจะอยู่ ที่ตามเรือนร้างหรืจะอยู่ในอาคารราคาเป็นเป็นสิบล้านน้อยล้านมันก็เป็นเพียงที่หลบแดดหลบฝนเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมายไปกว่า น, นั้นนักบวชสมัยพระพุทธเจ้าท่านจึงอยู่กันแบบสมถะเรียบง่ายท่านจึงสามารถมีเวลาทุ่มเทให้กับการ บำเพ็ญจิตตภาวนาได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องมาคอยกังวลกับการคอยสร้างคอยหาปัจจัยสี่ที่วิจิตพิสดารที่หรูหราการบำเพ็ญองท่านจึงเกิดเป็นมากเป็นผลขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วอย่างที่ได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าถ้าใครสามารถบำเพ็ญตามแนวของสติปัฏฐานสี่ได้ ก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ภายในเจ็ดวันหรือไม่เช่นนั้นก็ภายในเจ็ดเดือนหรือไม่เช่นนั้นก็ภายในเจ็ดปีจะต้องได้น่นะจะต้องได้มรรผลนิพพานในชาตินี้เลยไม่ต้องเสียเวลาบำเพ็ญบุญบารามีเป็นกลับเป็นกันเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าต้องทรงบำเพ็ญมา เพราะพพุทธเจ้าไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกทางจึงต้องคํำทางไปเหมือนคนตาบอดคํำทางคิดดูถ้าเป็นคนตาบอดถ้าจะต้องเดินทางจากบ้านมาถึงที่นี่คิดว่าเมื่อไหร่จะมาถึงถ้าไม่มีคนพามาอาจจะอีกร้อยชาติก็ได้อีกพันชาติก็ได้เพราะไม่รู้ว่าที่นี่อยู่ตรงไหน มองไปทางไหนก็เหมือนกันหมดมันมืดไปหมดมองไปทางทิศเหนือก็มดืดมองไปทางทิศใต้ก็มดืดทิศตะวันออกทิศตะวันตกก็มืดหมดไปทางไหนมันก็รู้สึกว่าเหมือนกันหมดมก็ต้องลองคำไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปถึงนั่นแหละคือวิธีทางที่พระเจ้าต้องบำเพ็ญมาในการแสวงหามรรคผลผนิพพานถึงต้องใช้เวลามากวากว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้า แต่พอได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วรู้ทางแล้วว่าจะไปถึงมรรคผลนิพพานได้อย่างไรพอมาบอกคนให้ไปมันก็ง่ายเหมือนคนที่จะมาที่นี่มีคนรู้ทางมาที่นี่ถามเขาหรือให้เขาพามาก็สามารถมาได้อย่างรวดเร็วนี่คือเป็นโชคว่าสนาของพวกเราที่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา ในยุคที่มีคนยังรู้จักทางไปสู่มรรคผลนิพพานถ้าเราอยากจะไปและเราเดินไปตามทางที่ผู้รู้บอกเราเราก็จะสามารถไปถึงมรรคผลนิพพานได้ภายในชาตินี้เลยไม่ต้องมาบำเพ็ญคำทางอยู่เป็นกับเป็นกันนี่คือความวิเศษของพระพุทธศาสนาและเป็นโชควาสนาของพวกเรา ถ้าพวกเราปรารถนาความสุขใจกันปรารถนามรรคผลนิพพานกันโอกาสนี้แหละเป็นโอกาสที่เลิศที่สุดที่ดีที่สุดที่จะไม่เกิดขึ้นได้อีกง่ายๆเพราะนานๆจะได้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาประกาศพระธรรมคำสอนมาตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาไว้เป็นที่นำทางให้แก่พวกเรา พวกเรานานๆจะได้มาเกิดมาเจอพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึง่งถ้าไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาเราก็ต้องเป็นเหมือนคนตาบอดคาทางไปซึ่งไม่รู้คามไปไอเกะ ก, กี่กับถึงจะได้พบกับจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็ต้องบำเพ็นเป็นโพธิสัตว์ไปแล้วก็ ตัดสิรูเป็นพระพุทธเจ้าไปเท่านั้นแต่ถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็ไม่ต้องบําเพ็ญเป็นโพธิสัตว์เราเป็นสาวกอหรหันได้เลยด้วยการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราทําทานให้เรารักษาศีลให้เราบําเพ็ญจิตตภาวนานี่คือวิธีทางหรือ การกระทาที่จะทำให้เกิดความสุขใจความสุขแท้เพราะจะเป็นความสุขที่ไม่มีวันหมดไปจากใจจะติดไปกับใจจะอยู่กับใจไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรจะไม่เป็นปัญหาจะไม่ได้ทำให้ความสุขใจที่ได้มีอยู่ในใจนี้หดหายไปเราจึงควรให้ความสาคัญต่อการบาเพ็ญ เราบาเพ็ญทานไปเท่าที่เราสามารถจะทำได้มีเท่าไหร่ที่เรารู้ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้เราก็เอาไปทำทานเก็บส่วนที่เราต้องเอาไว้ใช่จริงๆเพื่อในการรักษาศีลเพื่อในการปฏิบัติจิตตภาวนาแล้วเราก็ทุ่มเทชีวิตให้กับการรักษาศีลกับบำเพ็ญจิตตภาวนา ลาออกจากงานไม่ต้องไปหาเงินหาทองถ้ามีเงินทองพอที่จะสนับสนุนในการปฏิบัติตั้งงบไว้ประมาณเจ็ดปีก็แล้วกันเจ็ดปีถ้าปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนบรรลุได้เนะี่พอบรรลุแล้วก็ไม่ต้องกลัวอดตายมีค น, นดีที่จะสนับสนุนอยู่ตลอดเวลา ถ้าใครเขารู้ว่าเราบรรลุแล้วทีนี้ก็มีแต่คนอยากจะเอาข้าวเอาของเอาเงินเอาทองเอากับข้าวกับปลาปัจจัยสี่มาให้อยู่ตลอดเวลาขอให้เราบำเพ็ญให้มันให้ผู้อื่นเขาเกิดศรัทธาขึ้นมาเท่านั้นแล้วเราจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการหาทรัพย์หาเงินหาทองเพื่อมาดูแลอัตภาพร่างกายของเรา ถ้าเรารักษาศีลให้บริสุทธิ์เราบำเพ็ญจิตตะภาวนาตลอดเวลาไม่ไปยุ่งกับการกระทําอย่างอื่นรับรองได้ว่าจะมีผู้ที่จะมีจิตศรัทธาจะคอยสนับสนุนในการบำเพ็ญของเราขอให้เรามีความแน่วแน่ต่อการบำเพ็ญเท่านั้นขอให้เรามีความมั่นใจว่าเราจะรักษาศีล ให้ได้บ่อยสุดตลอดเวลาขอให้เรามีความมั่นใจว่าเราจะบําเพ็ญสมถะภาวนาและวิปัสสนาได้ทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเนี่ถ้าเราทําได้แล้วรับรองได้ว่ามรรคผลที่ผ่านจะเกิดขึ้นปัจจัยต่างๆที่จะมาสนับสนุนในการปฏิบัติของเราจะไหลมาเทมาตลอดเวลา แจะไม่มีวันที่จะขาดเพราะมีผู้มีเจตตาร์า ท, าที่พร้อมที่จะสนับสนุนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วขอให้เราบำเพ็ญเป็นสุ ป, ปฏิปันโนอุชุ ป, ปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนเถิดแล้วเราไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องลาบส ก, การะเข้าของเงินทอง ต่างๆมันจะมาเองขอให้เรามีธรรมะอยู่ในใจของเราเท่านั้นขอให้เรามีความสุขใจถ้าเรามีความสุขใจแล้วเราก็จะไม่หิวกับราบยศราบศั ก, กาละเราก็จะอยู่แบบมักน้อยสันโดดอยู่แบบสมถฏาเรียบง่ายได้การอยู่แบบมักน้อยสันโดสนโดสมถฏาเรียบง่ายก็จะเป็นจุดที่จะดึงศรัทธา ของผู้อื่นให้มาสนับสนุนให้มาดูแลเราดังนั้นถ้าเราออกบําเพ็ญได้แล้วก็ขอให้พุ่งไปที่การรักษาศีลให้บ่อยสุดถ้าไม่ได้บวชเป็นพระก็ศีลแปดรักษาศีลแปดให้ดีแล้วก็อยู่หาสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากแสงสีเสียง ห่างไกลจากรูปเสียงกิ่นรสผลตภะที่จะมาทำลายการบาเพ็ญสมถภาวน า, าและวิปัสสนาภาวนาต้องอยู่ที่สงบสงัดอย่างบนเขานี้อยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆเพื่อจะได้จเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องสติเป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญ ต่อการเจริญส ม, มถะภาวนาคือการทำใจให้สงบใจจะสงบไม่สงบอยู่ที่สติสามารถควบคุมบังคับให้ความคิดหยุดคิดให้ได้หรือไม่ถ้าไม่สามารถควบคุมให้ความคิดหยุดคิดได้ใจก็จะไม่มีวันสงบได้ถ้าสติมีความสามารถควบคุมไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ได้ให้สักแต่ว่ารู้ได้ จิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเป็นอุเบกขาแล้วก็จะได้พบกับความสุขใจที่เต็มที่ที่เรียกว่านัตติสันติบาังสุขขังไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบมีคือการบําเพ็ญขั้นต้นคือสร้างความสงบใจให้เกิดขึ้นด้วยการทาใจให เข้าไปสู่ในสมาธิให้จิตรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกคะตตารมเป็นอุเบกขาแต่การรวมของจิตในสมาธินี้จะรวมอยู่ได้ชื่อระยะเวลาหนึง่งพอออกจากสมาธิมาแล้วถ้าไม่ควบคุมความคิดเดี๋ยวก็จะคิดไปในทางความอยากแล้วพอเกิดความอยาก ความสุขที่เกิดจากความสงบเกิดจากอุเบกขาก็จะจางหายไปพอเกิดความอยากก็จะเกิดความหิวขึ้นมาก็ต้องดิ้นนนไปหาสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นถ้าไปทางนั้นก็ถือว่าตะบากแตกหรือเบกแตกขาดสติเป็นนักบวชก็อาจจะต้องลาสิกขาไปเพราะไม่สามารถ อยู่ในสภาพของนักบวชได้เพราะทนความลบเ้าของตันหาความอยากไม่ได้เวลาออกจากสมาธิจึงต้องระมัดระวังต้องเจริญสติต่อไปเหมือนกับตอนก่อนที่จะเข้าไปในสมาธิเพื่อที่จะควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางความอยากเพื่อที่จะได้รักษาอุเบกขาความสงบที่ได้จากสมาธินี้ให้มีอยู่ต่อไป หรือถ้าอยากจะรักษาให้ถาวรก็ต้องเจริญปัญญาต้องเห็นโทษของความอยากเวลาเกิดความอยากแล้วความสงบสุขหายไปความหิวความต้องการต้องเกิดขึ้นมาต้องรู้แล้วว่านี่เป็นอันตรายต่อจิตใจต้องไม่ทําตามความอยากอยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็ต้องไม่ดูไม่ฟัง ก็ดูแล้วมันจะติดมันจะอยากไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่อยากนั่งสมาธิมันจะไม่อยากเข้าหาความสงบมันก็จะทำให้ไม่สามารถรักษาศีลได้มันก็จะต้องหาเงินหาทองเพื่อไปทำตามความอยากมันก็จะเดินถอยหลังไปแทนที่จะเดินไปข้างหน้าถ้าอยากจะเดินไปข้างหน้าก็ต้องหยุดความอยากอยากทำตามความอยาก ให้พิจารณาให้เห็นว่าความสุขที่ได้จากการทําตามความอยู่ความอยากเป็นความสุขชั่วคราวได้เกิดขึ้นในขณะที่ได้ทําตามความอยากแล้วมันก็จะหายไปแล้วก็จะทำให้เกิดความอยากขึ้นมาใหม่อย่างคนที่อยากสูบบุหรี่หรืออยากดื่มสุราอย่างนี้พออยากจะดื่มอยากจะสูบบุหรี่ก็ พอไปสู่บุหรี่แล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาเดียวเดียวหลังจากนั้นไม่นานความสุขนั้นก็หายไปแล้วก็จะเกิดความอยากสูบบุหรี่ขึ้นมาใหม่ก็ต้องไปสูบอยู่เรื่อยๆสู่ไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอก็ต้องหาต้องดิ้นรนหาบุหรี่มาสู่อยู่เรื่อยๆเวลาใดที่ไม่มีบุหรี่ให้สูบเวลานั้นก็จะหงุดหงิดลำคาญใจ ไม่สบายใจไม่มีความสุขต้องพิจารณายอย่างนี้ด้วยปัญญาถึงจะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่สุขปลอมที่เราทิ้งมาที่เรามาบวชกันเพราะเราเบื่อกับความสุขแบบนี้กันเราอยากกลับไปหามันอีกแต่เวลาออกจากสมาธิถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญา มันจะดิ้นกลับไปทันทีเพราะมันอยู่ห่างไกลมานานยิ่งอยู่ห่างไกลนานเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความอยากมากขึ้นเท่านั้นจึงจาเป็นจะต้องใช้สติใช้ปัญญาเพื่อที่จะยับยัง้งไม่ให้ทาตามความอยากถ้าสติปัญญามีกำลังมากพอก็จะหยุดความอยากได้ไม่ทำตามความอยากได้ พอฝืนความอยากได้แล้วต่อไปความอยากก็จะอ่อนกำลังลงไปถ้าเราฝืนได้ครั้งนี้ครั้งต่อไปมันก็จะเบาขึ้นไปกำลังของความอยากจะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็จะหมดกำลังเพราะมันไม่มีความสามารถที่จะดึงใจให้ไปทำตามความอยากได้เพราะมีสติปัญญาที่มีกำลังมากกว่าที่จะ สอนใจไม่ให้ไปทําตามความอยากสอนใจให้หยุดความอยากได้พอสติปัญญามีกําลังเต็มร้อยแล้วทีนี้ก็ความอยากทั้งหลายก็จะถูกทําลายไปหมดในที่สุดแล้วก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจต่อไปใจก็จะมีแต่ปรมังสุขขังอยู่ตลอดเวลานี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ที่ได้ท่งบำเพ็ญจิตตะภาวนาสมถภาวนาเพื่อให้เกิดความสงบเกิดอุเบกขาแล้วก็จเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เกิดสติปัญญาขึ้นมาในการที่จะมาใช้กับการหยุดความอยากต่างๆพอมีวิปัสสนามีสติมีปัญญาแล้วกิเลสตัณหาก็จะหมดอำนาจไปในที่สุดจะไม่สามารถเขี่ยวเข็นบังคับ จิตใจให้ไปหาความสุขปลอมได้อีกต่อไปจิตใจก็จะอยู่กับความสุขที่แท้จริงคือปลังมังสุขขังไปตลอดไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไปหาสุขปลอมที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขนั่นเองเวลาเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปความสุขที่ได้จากการเกิด ก็จะหมดไปเวลาที่ความแก่คืบผ่านเข้ามาเวลาที่ความเจ็บไข้ได้ป่วยปรากฏขึ้นมาเวลาที่ความตายปรากฏขึ้นมาความสุขนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปแต่ความสุขใจนี้จะไม่ได้ถูกลบล้างไปกับความแก่ความเจ็บความตายเลยเพราะเป็นคนละาสวนกัน ร่างกายเป็นส่วนหนึ่งใจเป็นอีกส่วนหนึ่งความสุขของใจไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเจริญหรือความเสื่อมของทางร่างกายความสุขของใจนี้เกี่ยวกับการบำเพ็ญทานศีลภาวนาเท่านั้นถ้าได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาอย่างต่อเนื่องอย่างเต็มที่ความสุขของใจก็จะมีอยู่อย่างต่อเนื่องมีอยู่อย่างเต็มที่ดังนั้น ถ้าเราต้องการความสุขแท้ความสุขที่ถาวรเราก็ต้องบําเพ็ญตามที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบําเพ็ญมาเราต้องบําเพ็ญตามที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสั่งสอนคือให้บําเพ็ญทานศีลภาวนาแล้วใจของเราก็จะได้กลายเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาเพราะพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็เป็นใจเหมือนพวกเหล่านี้เองเป็นใจที่ ได้ยินได้ฟังคำสอนของพอพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาความเชื่อน้อมนำเอาคำสอนของพอพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมากน้อยก็สละไปหมดแล้วก็ออกมาบำเพ็ญศีลกับภาวนาอย่างเต็มที่รักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาบำเพ็ญจิตตภาวนาสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนา ด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิสลับกันไปทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหนอบถ้าทำอย่างนี้แล้วภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ปีก็จะได้ผลอย่างแน่นอนขอให้พวกเรามีความมั่นใจในทางนี้เพราะมีผู้ที่ได้บำเพ็ญกันมาแล้วเป็นจำนวนมากได้รับผลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้แล้วทุกประการ ยังไม่ควรที่จะลังเลสงสัยขอให้เราทุ่มเทศรัทธาความเชื่อไว้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้อย่างเต็มที่เลยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกหลอกเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ต้องการอะไรจากเราเราไม่มีอะไรที่วิเศษที่พอที่จะทําให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยากได้อะไรจากเรา มีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่างๆที่มีของวิเศษที่จะมอบให้กับเราถ้าเรามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วน้อมเอาคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปปฏิบัติให้ได้แล้วเราก็จะได้รับสิ่งที่วิเศษที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้รับกันอย่างแน่นอนจึงขอฝากให้ท่านจงเอาเรื่องของความสุข ทั้งสองชนิดนี้ไปพินพจารณากันคือสุขกายที่ถือว่าเป็นสุกปลอมและสุขใจที่ถือว่าเป็นสุขแท้นี้ให้ท่านได้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรน ยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิตุทินางเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสะเทปุเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ ราสอยาถาสพิตโยวิวัจจันโสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารายยสุขีิีคายุโกภวะอะพิวาทานสีฤทธะนิจังมุฒาปจายโนจตารุธรมมวะทานติอายุวโนโสุขังภาลาง ตอนนี้ก็จะตอบปัญหาท่านผู้ใดมีความสงสัยอยากจะถามเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเป็นหลักก็ขอเชิญถามได้ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะมีคำถามที่ถามมาผ่านทางอินเทอร์เน็ตต่อไปเป็นคำถามที่มีผู้ฝากถามมานักที่นี้นะครับ หลังจากเกษียณได้พยายามทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนามากขึ้นสวดมนต์ฟังสติธรรมะอ่านธรรมะอยู่เรื่อยๆไม่เที่ยวเต่ไม่โลภไม่หาอาหารอร่อยกินหลีกหนีหมู่คณะไม่ออกสังคมแผ่เมตตาและส่วนบุญสนตลอดแต่มารผจนฉี่ขวาสมัยก่อนที่ไม่ปฏิบัติธรรมอยากจริงจังอยากเรียนถามว่า เป็นเพราะวิบากกรรมของเราใช่ไหมจึงมีแต่เรื่องไม่ดีเข้ามาตลอด ท, ทั้งที่สวดมนต์ทาวัดทาสังฆทานบริจาคทานและภาวนาแต่ก่อนสมัยที่ยังทำงานอยู่และไม่ค่อยปฏิบัติจริงจังถามว่าเป็นมารเหรอหรือว่าเป็นเป็นวิบากคือว่าในสมัยก่อนที่ยังไม่ปฏิบัติเนี่ยยังไม่มี มากนก็มาปะจนเรื่องให้วุ่นวายใจมากเหมือนตอนที่สมัยปฏิบัติธรรมในช่วงนี้ครับอาจารย์น่าจะเป็นความรู้สึกมากกว่าเพราะสมัยที่ไม่ปฏิบัตินี่มันมีช่องไปเที่ยวเยอะมันเลยไม่มีเวลามาพุ่งสร้างแต่เวลามาปฏิบัติธรรมนี่มันมันไม่มีอะไรจะทำพอมันเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็วุ่นวายใจขึ้นมาความจริงมามนมันมีอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าตอนที่เราไม่ปฏิบัติเรามีช่องหนีมานเยอะพอมานมาเราก็ไปช้อปปิ้งกันไปหาขนมนมเนยกินกันไปดูภา พ, พยนตร์ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่กันมานมันก็หายไปแต่พอมาบวชแล้วมันไม่มีช่องหนีมานกันเหมือนต้องเผชิญมานเหมือนก็เลยรู้สึกว่ามานเยอะเหลือเกิน ถ้าเราไม่เผชิญกับมันแล้วเราจะฆ่ามันได้อย่างไรการปฏิบัตินี้ก็เพื่อการต่อสู้กับมันนี่เองกิเลสมานไม่ใช่อะไรมารนะก็กิเลสมานความโลภความอยากเที่ยวนี่เองพอมันอยากเที่ยวอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานพอไม่ได้ทำมันก็ออกฤทธิ์ออกเดชให้เราเท่านั้นเองเราต้องใช้ธรรมะฟาดหัวมัน ใช้สติฟาดมันพุทโธพุทโธเข้าไปเอาให้มันหนักเรามีอาวุธแต่ก็ไม่ยอมใช้โดนมามันใส่เอาใส่เอาก็มาร้องโอยร้องโอยเนี่ยลืมอะลืมเอาอาวุธออกมาพุทธเจ้าบอกให้เจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องเพราะสติตัวนี้จะพิชิตมารได้ถ้าเผลอเมื่มอไหร่ไม่มีอาวุธติดตัวมามันก็ใส่เราทันที เหมือนกับเวลาเราเข้าสงคารามนี่ทหารเวลาเขาเข้าทำสงคารามนี่เขาต้องกอดปืนไว้ตลอดเวลาเวลาหลับเขาก็ต้องนอนกอดกับปืนไว้เลยเพราะเกิดมีมารมีข้าศึกบุกเข้ามาเมื่อไหร่เขาก็จะได้มีอาวุธใช้ได้ทันทีพระอุตยร迦ก็สอนว่าให้เราประคับประคองสติตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับเท่านั้นที่เราไม่สามารถที่จะประคองสติได้ ขอให้เราพยายามเจริญสติให้มากๆพุโทโธให้มากๆถ้าเราใช้พุโทโธถ้าใช้ร่างกายก็คอยดูร่างกายเฝ้าดูร่างกายตลอดเวลาตอนนี้ร่างกายกําลังเดินก็รู้ว่ากําลังเดินกนําลังยืนกนําลังนั่งกําลังทําอะไรก็ให้อยู่กับการกระทําของร่างกายในทุกิริยาบทของการเคลื่อนไหวถ้าไม่ได้ทําอะไรนั่งเฉยๆก็ดูลมหายใจเข้าออก อย่างนี้เรียกว่าจจรัญสติที่กายกายกตาสติถ้ามีอย่างนี้อยู่ในใจแล้วกิเลสมันออกมาไม่ได้เพราะมีสติคอยคุมไว้อยู่แต่เวลาใดที่เราเผลอไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ทีนี้กิเลสมันจะออกมาแล้วคิดถึงคนนั้นก็อยากจะไปหาคนนั้นคิดถึงเรื่องนั้นก็อยากจะไปดูอยากจะไปฟังอยากจะไปติดตาม พอเกิดความอยากแล้วทีนี้ก็จิตก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาแลนะพอเกิดความอยากแล้วไปไม่ได้เพราะกําลังบวชอยู่กําลังปฏิบัติอยู่กําลังจําศินอยู่มันก็เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาก็เหมือนกับว่ามารมันเยอะเหลือเกินแต่ถ้าไม่ได้บวชนี่พอคิดถึงอะไรอยากจะทําอะไรก็ไปทําได้เลยคิดถึงเพื่อนไปหาเพื่อนได้เลยคิดถึงภาพยนตร์ก็ไปดูได้เลยมันก็เลยรู้สึกว่าไม่เห็นมีมารเลย ก็จะมีอะไรก็ทําตามมารทุกอย่างไม่ได้ต่อสู้กับมารมารจูงจมูกเราตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวคิดว่าไม่มีมามีมากกว่าตอนที่เราปฏิบัติเสียเองแต่ว่าเวลาเราปฏิบัตินี่เราปล่อยให้มันจูงจมูกเราไม่ได้มันถึงมันถึงออกฤทธิ์ออกเดชสร้างความพุ้งสร้างสร้างความเครื่ดให้กับเรานี่ยดังนั้นเราต้องใช้อาวุธ ที่พูะเจ้าส่งมอบให้กับพวกเราในการปชรนปชนมานก็คือสตินี่ขอให้มีสติควบคุมความคิดให้ได้เวลาจะคิดถึงอะไรดึงกลับมาที่พุทโธดึงกลับมาที่ลมหายใจดึงกลับมาที่การเคลื่อนไหวการกระทาของร่างกายให้ได้แล้วมานมันจะหายไปคำถามข้อต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติวิชาโตนะครับคาถามจากคุณอารดานะครับ ข้อที่หนึ่งได้ปฏิบัติโดยทําบริกรรมพุโทโธสลับกับสวดบทหลวงปู่ชั่วตลอดเวลาที่ว่างจากการทํางานแต่จะนั่งสมาธิไม่ได้ต่อเนื่องทุกวันเรียนถามหลวงพ่อว่าจะใช้อุบายบางังคับตนให้อยากนั่งสมาธิทุกวันได้อย่างไรก็ถ้านั่งสมาธิได้ก็เหมือนกับเข้าโรงแรมห้าดาวถ้ายังเข้าไม่ได้ก็เหมือนอยู่โรงแรมหนึ่งดาว ถ้าอยากจะขยับความสุขให้มันมากขึ้นดีกว่าเก่าก็ต้องยอมจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นเพราะโรงแรมห้าดาวกับโรงแรมหนึ่งดาวนี่ราคามันต่างกันถ้าอยากจะได้ความสุขระดับห้าดาวก็ต้องบังคับตัวเองให้นั่งหลับตาแล้วก็ให้ภาวนาไปให้ได้แล้วเดี๋ยวความสุขระดับห้าดาวก็จะเกิดขึ้นมาเองข้อที่สองนะครับคนที่มีศีล ทำทานบ้างแต่มีจิตที่มีแต่ความกลัวตลอดเวลากลัวทุกอย่างกลัวผีกลัวคนมาทำร้ายกลัวความมืดกลัวที่จะอยู่คนเดียวกลัวตายมากที่สุดสรุปไม่มีอะไรที่จิตไม่กลัวเวลาจิตตายไปจะไปเกิดเป็นอะไรและต้องแก้ไขอย่างไรเพราะตอนนี้ก็อายุ80ปีแล้วเคยเข้าทางธรรมแต่ปฏิบัติยังไม่ได้เลย ก็โดยหลักแล้วถ้าทำบาปด้วยความกลัวท่านก็บอกต้องไปเกิดเป็นอสุรกายหรือเป็นเป็นผีถ้าไม่อยากจะไปเกิดก็อย่าไปทำบาปเวลาเกิดความกลัวยอมยอมยอมตายยอมเจ็บไปถ้าไปทำบาปเพาราะกลัวว่าจะถูกเขาฆ่าเลยไปฆ่าเขาก่อนอย่างนี้ตายไปก็จะไปเกิดเป็นผีเป็นอสุรกาย วิธีที่ดีที่สุดก็คือเหมือนไหว้พระสวดมนต์ท่องคาถาพุทธโธธรรมโมสังโฆไปเรื่อยๆให้มีสติอยเรื่อยๆอย่าให้ใจมีช่องว่างไปคิดถึงเรื่องต่างๆความกลัวมันก็จะลดน้อยลงไปคำถามข้อต่อไปนะครับจากนายคำบุญนะครับได้ยินมาว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์ หากจลัตกแต่งสิ่งของที่ถวายให้สวยงามและใช้แต่ของดีๆที่ถวายรวมถึงการแต่งเนื้อแต่งตัวสะอาดสวยงามก็จะส่งผลให้ได้รับผลบุญรวมถึงสวรรค์ในชา้นที่ปาณิตามที่ทำจริงหรือไม่ก็น่าจะเป็นจริงเพราะว่าการกระทำอะไรด้วยความเจาะจงมันก็เป็นเหมือน ก, นกับเป็นการสร้างความสวยงามสร้างความสุข ภายในใจให้เกิดขึ้นแต่มันยังเป็นโลเกียทรัพทนั้นเองคือเป็นความสุขชั่วคราวได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นวิจิตพิสดารอย่างไรก็จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปได้การทำอะไรให้กับคนอื่นให้ของดีๆกับเขาเราก็จะได้ของดีกลับมาให้ของสวยให้ของงามแก่ผู้เราก็จะได้ของสวยของงามกลับมา อ, อันนี้มันเป็นกฎของแห่งกรรมถ้าให้ของไม่ดีกับผู้อื่นเราก็จะได้ของไม่ดีกลับมาถ้าเราชอบให้ของเสียของอะไรที่เราไม่ใช้แล้วต่อไปเราก็จะได้รับแต่ของเสียของที่เขาไม่ใช้ของที่เขาทิ้งแล้วให้เราเอเนถ้าเราอยากจะได้อะไรเราก็ต้องให้สิ่งที่เราอยากได้อยากจะได้ของดีก็ต้องให้ของดีอยากจะได้ของไม่ดีก็ให้ของไม่ดีมันเป็นเรื่องของ ก่แห่งกรรมข้อที่สองนะครับการรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเกิดจากอะไรบางครั้งเป็นความรู้สึกที่รู้เองและก็จริงตามรู้สึกบางครั้งก็เป็นเหมือนภาพที่วัดเข้ามาให้เห็นเช่นการเตือนภัยล่วงหน้ามันก็เป็นเรื่องของวาสนาของจิตของแต่ละดวงที่เคยบําเพ็ญวาสนามา ในแนวต่างกันบางคนได้บำเพ็ญเกี่ยวกับเรื่องอิทธิปาฏิหาริมาก็จะมีความรู้ความสามารถพิเศษที่จะรู้เหตุการณ์อะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในภาคหน้าได้แต่มันก็เป็นเดรัจฉานวิชาคือเป็นความรู้ที่ยังทําให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่จะไม่ความรู้เหล่านี้จะไม่ได้ทําให้ได้หลุดพ้น จากการเวียนว่ายตายเกิดได้ความรู้ที่จะทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องเป็นความรู้ในอริยสัจสีเท่านั้นคือรู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมาพระพุทธเจ้าจึงพยายามสอนให้พวกเราอย่าไปติดอย่าไปสนใจกับความรู้แบบแบบเดรัจฉานวิชา ่มีความรู้ระลึกชาติได้รู้อดีตรู้อนาคตรู้กรรมของคนนั้นคนนี้มันไม่ได้เป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้ใจได้หลุดพ้นจากวัตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้รู้อริยสัจสี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมากที่จะเป็นกุญแจเปิดประตูของวัตะสงสารให้ผู้ที่ติด คุมขังอยู่ในวตาสุขสงสารนี้ได้ดุดพ้นออกไปได้นั้นที่ให้บําเพ็ญก็ให้บําเพ็ญสมถะและวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมากนี้เองแล้วถ้าสิ่งที่เห็นที่รู้สึกเนี่ยมาเองอะครับอาจารย์โดยที่ไม่ได้สนใจศึกษาเองอะครับอาจารย์ก็นั่นแบบมันเป็นวาสนาของเราไงมันเป็นความสามารถของจิตของเราที่เราได้เคยบําเพ็ญมาพอมันมี มีเหตุมีปัจจัยมาทําให้มันทํางานมันก็จะทํางานคือเวลาจิตสงบมันจะเห็นอะไรแปลกๆถ้าจิตไม่สงบนี้มันจะไม่เห็นเพราะมันจะถูกสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกนิ้นกายกบไว้แต่ถ้าไม่มีลูกเสียงกินรสเข้ามาใจว่างๆอยู่เนี่ยมันจะมักจะรู้อะไรแปลกๆอยู่เรื่อยๆแต่ต้องระมัดระวังเพราะว่า มันก็เป็นความรู้ที่อาจจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้เราต้องพิสูจน์ตัวเราเองก่อนว่าเราแม่นหรือไม่แม่นเช่นเห็นเลขอยู่เรื่อยก็คอยลองเช็คดูว่ามันมันถูกทุกมวนหรือเปล่าจดสถิติไว้ว่าเออมันเห็นแล้วมันถูกกี่ครั้งแต่ความรู้เหล่านี้มันจะเป็นทุกขลาภมากกว่า ถ้าไปบอกเขาเขาก็ให้เงินให้ทองเรามาแล้วเดี๋ยวเขาก็มาลุมเราเราก็ไม่ต้องทำอะไรมัวแต่มานั่งคอยบอกเลขบอกเบอร์ก็จะไม่มีเวลาที่จะไปบําเพ็ญเพื่อใจะให้จิตดุจพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นทางที่ดีก็อย่าไปสนใจมันรู้แล้วก็เก็บไว้ปิดปากไว้เงียบทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไป แล้วก็มาบําเพ็ญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาดีกว่าให้เห็นอริยสัจ ส, สีตลอดเวลาเท่านั้นพอละให้เห็นอย่างนี้จะดีกว่าคําถามข้อต่อไปจากคุณวิเชียนนะครับมีเพื่อนนับปฏิบัติธรรมเล่าให้ฟังว่าไปปฏิบัติธรรมในวัดแห่งหนึ่งที่เน้นให้นั่งสมาธิเพื่อให้ออกกรรมคือชดใช้กรรมเก่าในอดีตขอเรียนถามพระอาจารย์ว่า เป็นความจริงหรือไม่กรรมเก่าไม่ต้องไปนั่งสมาธิหรอกถึงเวลามันโผล่มาเอง <c oughs> การนั่งสมาธินี้เป็นการสร้างเบาะไว้รับกรรมเก่าสร้างเกราะคุ้มกันใจ <c oughs> เช่นเวลาเราจะตกจากตึกสูงนี่ถ้าเราไปเอาเบาะหนาๆไว้รองรับเวลาตกลงมามันก็จะไม่เจ็บ <c oughs> การนั่งสมาธินี้เป็นการสร้างเกราะคุ้มครองใจไว้ไว้รับกับวิบากกรรมที่จะต้องเกิดขึ้น อย่างใจของพระพุทธเจ้านี้ไม่เดือดร้อนถึงแม้พระเทวทัตจะพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันเพราะใจของพระพุทธเจ้ามีเบาคุ้มมีเกราะคุ้มครองจิตใจถึงไม่ไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเลยเหมือนกับตกมาจากตึกสูงแต่มีเบารองรับอยู่ นี่การไปนั่งสมาธินี้เพื่อสร้างความสงบสร้างความอุเบกขาให้เกิดขึ้นกับใจถ้าเรามีอุเบกขาแล้วใครด่าเราเราก็เฉยใครจะทำอะไรเราก็เฉยเพระเราจะคิดอย่างนี้ว่าถ้าเขาไม่ชอบเราก็ดีแล้วเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็ดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็ดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็ดีแล้วเกิดมาแล้วก็ต้องตายกันทุกคน บางคนอยากจะตายนี้ต้องเสียเงินไปซื้อยาพิษมากินเรานี่ตายแบบไม่ต้องเสียเงินเสียทองคิดแบบนี้คนที่มีอุเบกขาจะคิดอย่างนี้จะไม่ทุกข์กับวิบากทุกรูปแบบคําถามข้อต่อไปจากคุณวิทยานะครับในพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าในเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่นตอนประสูตรสามารถเดินได้เจ็ดเจ้าอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรก็จิตที่จิตเป็นลายกายเป็นบางไงจิตของพระพุทธเจ้านี่ได้บำเพ็ญอิทธิบาทสี่ได้บำเพ็ญพาละห้ามามากคือสติสมาธิปัญญาถ้าจิตมีกำลังมากเวลาเกิดมาปั๊บเนี่ยจิตสามารถสั่งให้ร่างกายนี้เดินได้เลยในเรื่องปกติคนที่มี มีสติปัญญานี่มีกำลังวังชามากจิตมีกำลังมากสามารถสั่งให้ทำอะไรในที่คนธรรมดาไม่สามารถทำได้เช่นอดข้าวสี่สิบเก้าวันเราอดได้ไหมทำไมพระพุทธเจ้าอดได้เพราะว่าท่านมีสติสมาธิมีปัญญาดัางั้นการเกิดมาแล้วเดินเจ็ดเก้านี่เป็นเรื่องที่เป็นไปได้แต่แต่ว่าร่างกายมันอาจจะยังไม่แข็งแรงพอ ก็เดินได้แค่เจ็ดเก้าก็หมดแรงจิตมีพลังสั่งแต่ร่างกายมันรับไม่ไหวเหมือนรถที่เติมน้ำมันเพียงลิตเดียวพอขับไปได้กิโลสองกิโลน้ำมันหมดก็ต้องไปเติมน้ำมันก่อนนี่ก็คือเรื่องของปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าเวลาเกิดมาแล้วสามารถเดินได้เจ็ดเก้าคำถามข้อต่อไป เราจะใช้ธรรมะข้อใดไม่ให้คิดเรื่องการเมืองเ ศ, ศ, ศ öm, รษฐกิจสังคมสิ่งแวดลอ้อมที่นับวันยิ่งแย่ลงถ้าเราปล่อยวางก็เหมือนคนเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเราคิดบ่อยมันก็ฟุ้งและสุดท้ายก็แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ก<ด><ด>็ให้ใช้หลักคำ <espace> ที่แสดงไว้ว่าสัพเพธรรมานัตตาทาทั้ง my all, my หลายไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นตัวเรา เหตุการณ์ต่างๆนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่เกี่ยวกับเราใครจะขึ้นใครจะลงใครจะดีใครก็ชั่วไม่เกี่ยวกับเราถ้าเราไปวุ่นวายไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะเครียดเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราเห็นว่าไม่ใช่เรื่องของเราเราปล่อยเราก็ไม่ทุกข์อย่างตอนนี้เราก็ปล่อยไม่ใช่เรื่องของชาวบ้านเราไปยุข่ขงกับเขากปล่า เนี่ยชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยมีตั้งกี่คนก็จะมีชู้มี ม, มีชู้ก็จะทําบาปไม่ทําบาปเขาจะดื่มเหล้าแล้วไม่ดื่มเหล้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาใช่ไหมพอเราไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วเราเป็นยังไงเราก็ไม่เดือดร้อนอันนี้ก็เหมือนกันเหตุการณ์ในบ้านเมืองมันก็เหมือนกันะคนก็อยากจะตีกันแย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตก็ปล่อยก็แย่งกันไปเราไปได้อะไรกับเขาอ หรือวเราไปห้ามเขาได้หรือเปล่าไปสั่งให้เขาทาตามที่เราต้องการได้หรือเปล่าถ้าทาตามที่เราสั่งไม่ได้ก็ถือว่าไม่ใช่ของเราเมื่อไม่ใช่ของเราก็ต้องปล่อยวางสัพเพตธรรมาอนัตตาคือให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาก็คือเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเราไปสั่งฝนฟ้าอากาศได้หรือเปล่าว่าวันนี้ให้ฝนตกนะตกครึ่งชั่วโมงเวลานี้สั่งไม่ได้ฉันไดเราไปสั่งให้ บ้านเมืองไม่ให้วุ่นวายได้ไหมหยุดเดี๋ยวนี้เอทุกคนกลับไปบ้านทุกคนไปทําบุญสายบาทนั่งสมาธิรักษาสิงกันสั่งได้หรือเปล่าถ้าสั่งไม่ได้ก็อย่าไปยุ่งกับเข า, เาปล่อยให้เขาเป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาคําถามข้อต่อไปจากคุณนักพงนะครับทําไมผมถึงทําไมผมถึงปฏิบัติไปไม่ถึงไหนเลยบริการพุโทโธ สงบอยู่แต่ไม่สนิทก็บริกรรมเท่าไหร่ละ ว, วันนึงกี่นาทีเนะท่านบอกให้บริกรรมทั้งวันเราบริกรรมเท่าไหร่ดูเหตุสิอย่าไปดูผลดูเหตุแล้วก็จะรู้ว่าผลมันได้แค่ไหรนผลมันเกิดจากเหตุวันหนึ่งเราบริกรรมอย่างต่อเ น, นื่องได้สักกี่นาทีคําถามข้อต่อไปจากคุณเบิร์ตนะครับ ข้อที่หนึ่งภาวนาตอนแรกนี้ใช้บริกรรมพุทธพร้อมกับหายใจเข้าบริกรรมโทพร้อมกับหายใจออกโดยให้รู้อยู่บริเวณภายในด่างจมูกที่เรารู้ว่าลมสัมผัสมากที่สุดนั้นตลอดต่อเนื่องอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าก็ดูผลก็แล้วกันถ้าจิตสงบก็ถูกต้องถ้าจิตยังไม่สงบก็ มันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องอย่างที่เราคิดก็ได้เราอาจจะมีความคิดแวบเข้ามาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สลับกับการดูลมอันนี้มันก็จะไม่ได้ผลถ้าจะได้ผลมันต้องมีการดูลมมีการบริการพุรรรพทโธอย่างต่อเนื่องไม่มีเรื่องราวอย่างอื่นมาให้คิดดงนั้นก็ขอให้ดูผลเป็นหลักถ้ายังไม่ได้ผลก็แสดงว่ายังทาไม่ถูก ถ้าทำถูกจริงๆห้านาทีก็ก็ได้ผลแล้วที่ไม่ได้ผลส่วนใหญ่ก็เพราะว่าสติมันไม่ต่อเนื่องมันพุทธโทได้สองคำก็ไปคิดถึงเมีย่ยงคำมัางคิดถึงขนมน ม, นมเนยมังมันก็เลยไม่มีวันที่จะสงบได้ข้อที่สองนะครับเมื่อนั่งภาวนาไปนานๆจะทิ้งคำบริกรรมพุทธโท มีแต่ลมหายใจเข้าออกที่แผวเบามีลักษณะเหมือนตัวเบาๆตัวเรามีลักษณะเป็นโพมเหมือนป้องไม้ไผ่แต่ยังได้ยินเสียงภายนอกแต่ไม่สนใจภายนอกและมีสุขอยู่ในตัวอย่างนี้คืออะไรครับและต้องทำยังไงต่อไปก็จิตเริ่มเข้าสู่ความสงบแนละ้วเพียงแต่ว่ายังไม่สงบเต็มที่ก็ให้ดูลมต่อไป ดูไปเรื่อยๆจนกว่าลมหายไปร่างกายหายไปหรือไม่หายแต่ใจเข้าสู่ความสงบปเป็นอุเบกขาไม่คิดบุงแต่งมีความสุขมีความพอใจกับสถานภาพตอนนั้นก็ถือว่าจิตสงบถ้ายังไม่สงบยังยังคิดได้อยู่ก็ต้องดูลมหายใจต่อไปจนกว่าความคิดจะหายไปหรือแต่ความรู้สักแต่ว่ารู้อยู่อย่างเดียว โอเปกขาข้อที่สเดินจงกรมตอนแรกจะมีความคิดแท้เข้ามาแต่เรารู้เราก็กลับไปบริกรรมพุทโธควบคู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าถูกถ้าทำได้ก็ถูกให้กลับให้มีสติอยู่กับลมอยู่กับพุทโธไปอย่าไปติดตามความคิด ให้เกาติดอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมไปเรื่อยๆแต่การเดินนี่มันจะไม่สงบเหมือนกับการนั่งการนั่งมันจะสงบกว่าเพราะเวลาเดินใจยังต้องทำงานยังต้องสั่งการสั่งให้ร่างกายทำงานต้องประครับประคองร่างกายให้ยืนไม่ให้ล้มดังนั้นการเดินจงกรมนี้จะสงบยากกว่าการนั่งแต่จำเป็นต้องเดินเนื่องจากว่านั่งตลอดเวลาไม่ได้ นั่งไปนานๆก็เกิดอาการเจ็บปวดเมื่อยล้าขึ้นมาก็ต้องเปลี่ยนอระยาปวดออกไปยืดเส้นยืดสายด้วยการเดินจงกรมเดินเพื่อที่จะได้กลับมานั่งต่อประครับประครองสติไว้เพื่อให้ใจพร้อมที่จะเข้าสู่ความสงบถ้าเราสามารถประครับประครองสติในระหว่างที่เราเดินจงกรมได้อย่างต่อเนื่องพอเรามานั่งสมาธิเราก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ข้อที่สี่บางวันเวลาเดินจงกรมนานๆเป็นชั่วโมงทำไมถึงรู้สึกมีอาการชาทั่วตัวมันก็เป็นเรื่องของร่างกายที่มันก็เป็นไปได้ก็ให้รู้เฉยๆว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ไม่มีนัยยะสำคัญอะไรถ้ามันไม่ทำให้ร่างกายล้มป่วยเจ็บไข้ก็ให้รู้ไว้แล้วก็ปล่อยวางให้กลับมาเจริญสติต่อ หมดคำถามครับอาจารย์มีใครอยากจะถามเพิ่มไหมแถวนี้นี่คิวที่ฝากถามคํถาถามแรกนะคะที่เพี่อนบอกว่ามีมาอ ะ, ะ่รเงี้คะคือเขาเขาไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเขายังอยู่ที่บ้านอยนะะ่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขดึ้นเรื่อเก็บว่ามันเป็นเรื่องของอ น, นิจจังก็แล้วกันอ่า บางช่วงก็มานเยอะบางช่วงก็มานน้อยไม่เที่ยงแน่นอนไม่ตายตัวทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นฝนฟ้าอากาศก็บางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีบางปีน้ำก็ท่วมบางปีน้ำก็ไม่ท่วมนั่นเราจะไปเอาเอามันมาเป็นเป็นอารมณ์ไม่ได้อย่าไปกังวลกับมันให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวาง มันจะมากก็รู้ว่ามันมากช่วงนี้มันมากก็รู้ว่ามันมากช่วงนี้มันน้อยก็รู้ว่ามันน้อยข้อสําคัญคือเราอย่าเผลอสติขอให้เราบําเพ็ญของเราไปเรื่อยขอให้เราจะเรสติของเราปฏิบัติกิจของเราไปต่ออย่างต่อเนื่องเวลาช่วงมีมาน ก, ก็ถือว่าเป็นช่วงเดินขึ้นเขาก็แล้วกันยากหน่อยช่วงไหนไม่มีมาน ก, ก็คิดว่าเป็นเหมือนการเดินลงเขามันก็ง่ายหน่อยแต่มันจะง่ายหรือจะยาก มันเป็นทางของเราที่เราจะต้องไปเราก็ต้องไม่ทอ้อแท้ไม่ไม่ไม่ยอ่ทอท้อไม่หยุดไม่ถอยหลังเราก็ต้องเดินต่อไปใช้ขันติความอดทนผู้ที่จะไปถึงพระนิพพานได้จะต้องมีขันติถ้าขาดขันติแล้วก็จบพอไม่มีความอดทนเจอมาหน่อยก็ยอมแพ้ยกท้งขายกทงขาวถอยดีกว่า ถอยไปไหนถอยก็ถอยเข้าคุกเท่านั้นไม่ได้ถอยไปไหนถอยกลับก็ไปในวัฏสงสารแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเดินไปข้างหน้าก็เดินเข้าไปสู่มรรคผลที่ผ่านนักปฏิบัติ ต, ต้องไม่ถอยออกมาจากคุกแล้วต้องอย่าถอยกลับเข้าไปในคุกต้องเดินออกไปให้ไกลห่างไกลจากทุกข์ให้มากจากคุกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถึงแม้ว่ามันจะยากจะลำบากอย่างไรก็ขอให้ทําไปขอให้ถือว่าความยากลําบากนี้เป็นเหมือนหินรับสติปัญญานังที่พุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดต้องให้มีความทุกข์มันถึงจะต้องใช้ปัญญามาแก้พอแก้ได้ก็จะมีปัญญาเป็นอาวุธคอยทําลายต่อสู้กับข้าศึกศัตรูต่อไปถ้ามีปัญญาเยอะๆศัตรูมาเท่าไหร่ก็สู้ปัญญาเราไม่ได้ ดังนั้นขอให้เราอย่าท้อแท้อย่าย่อถอยขอให้เดินไปข้างหน้าช้าบ้างเร็วบ้างก็ขอให้เราทําอย่างต่อเนื่องถึงเวลาเดินจงคนคมก็เดินถึงเวลานั่งสมาธิก็นั่งอย่ามาอ้างติเลสมามีมานมากขอนอนดีกว่าวันนี้ <c oughs> อย่างนั้นก็จบส่วนใหญ่ในกรณีเช่นนี้กรับอ า, าจารย์ถ้าเกิดโดนวิบากมากมาเนี่ย มักจะมองพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างว่าท่านเป็นระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านยังมีมารประจนแล้วเราเป็นใครเป็นแค่มนุษย์ธรรมดา ม, มีมารก็เลยเป็นเรื่องปกติครับราอาจารย์นั่นแหละท่านว่าเวลามีความทุกข์ใครคิดถึงพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านกว่าจะเป็นได้ท่านก็ต้องฝ่าะจนมารมากกว่าเราหลายร้อยเท่าด้วยกันเราเพียงแค่นี้เองเราจะไปอะไรกัมันคิดอย่างนี้ เอาตอนนะ้วันนี้มีอะไรไหมหรืออยากจะไม่มีถ้าไม่มีก็เอาแค่นี้ก่อนนะรู้สึกฝนฟ้ามันทำท่าจะมา ก, กันแนละ้วก็ขอให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปบำเพ็ญไปปฏิบัติเพื่อความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอด